บทที่หความรู้เฉพาะทางประสบการณ์ส่วนตัวหรือความสามารถในการสังเกตขั้นตอนที่สี่สู่ความร่ำรวยในโลกนี้มีความรู้อยู่สองชนิดชนิดหนึ่งคือความรู้ทั่วไปอีกชนิดหนึ่งคือความรู้เฉพาะทางความรู้ทั่วไปแม้จะมีปริมาณมากมายหรือหลากหลายสักเพียงใดแต่ก็มีประโยชน์น้อยในการทำเงินคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะให้แต่ความรู้ทั่วไปจะเห็นว่าศาสตราจารย์ส่วนใหญ่ไม่ร่ำรวยนั่นก็เพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในการสอนและให้ความรู้แต่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความรู้หรือไม่รู้จักนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ความรู้จะไม่สามารถทำเงินได้เลยถ้าปราศจากการจัดการหรือวางแผนในการนำความรู้นั้นๆไปใช้ประโยชน์ผู้คนนับล้านส่วนใหญ่เข้าใจและมีความเชื่อผิดๆว่า ความรู้คือพลังจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นความรู้เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของพลังอำนาจเท่านั้นจะเกิดพลังอำนาจได้ก็ต่อเมื่อมีการบริหารจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการหรือเป้าหมายที่เราวางไว้เท่านั้นข้อผิดพลาดของระบบการศึกษาทุกวันนี้ก็คือขาดการเชื่อมโยงในการนำความรู้ไปใช้ สถานศึกษาไม่เคยสอนนักเรียนถึงวิธีการบริหารจัดการและนำเอาความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์คนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าเฮนรี่ฟอร์ดเรียนหนังสือมาน้อยจึงไม่ค่อยมีการศึกษานั่นเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าการศึกษาคำคำนี้มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า educo หมายความว่าการดึงออกมาหรือการพัฒนาจากข้างใน ผู้มีการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทั่วไปและความรู้พิเศษมากมายหากแต่ผู้มีการศึกษาที่แท้นั้นหมายถึงคนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นระหว่างสงครามโลกหนังสือพิมพ์ในชิคาโก้มักตีพิมพ์บทความและสุนทรพจน์ของเฮนรีฟอร์ดซึ่งช่วงนั้นเขาถูกเรียกว่านักต่อต้านสงครามผู้โง่เขลา เขาไม่พอใจบทความนั้นและฟ้องร้องผู้เขียนบทความที่หมิ่นประมาทเขาเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลทนายจำเลยของหนังสือพิมพ์ขอให้เขายืนยันเพื่อจะพิสูจน์ให้คณะลูกขุนทราบว่าเขาไม่ค่อยจะมีความรู้อะไรเลยพวกเขาถามคำถามมากมายเพื่อจะพิสูจน์ว่าฟอดมีแต่ความรู้เฉพาะทางมากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นแต่กลับเป็นผู้โง่เขลาไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวเลย ฟอดถูกถามคำถามมากมายเช่นใครคือเบเดดิกอาร์โนล์อังกฤษส่งทหารไปรบในสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาในปีคิตศกาช1776เป็นจำนวนเท่าไหร่ฟอรดตอบไปว่าผมไม่รู้จำนวนทหารที่ส่งไปรบแน่นอนแต่เคยได้ยินว่ามันมากกว่าทหารที่รอดชีวิตกลับไปมากมายนักท้ายที่สุด ปอดก็เบื่อนายต่อคำถามพวกนี้เขาชี้ไปที่ทนายที่ถามคำถามเขาและพูดว่าถ้าผมต้องการตอบคำถามโง่ๆให้กับคุณจริงๆแล้วก็ผมอยากบอกให้คุณรู้ว่าที่โต๊ะทางานผมมีปุ่มสําหรับกดเรียกให้ผู้ช่วยของผมซึ่งสามารถตอบทุกคาถามที่ต้องการเกี่ยวกับธุรกิจที่ผมทุ่มเทความพยายามทั้งหมดที่มีให้เอาละ่ะคราวนี้คุณพอจะตอบผมบ้างได้หรือไม่ว่า ทำไมผมต้องมานั่งจดจำความรู้ทั่วๆไปเพื่อตอบคำถามในเมื่อผมมีคนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อคอยให้ความรู้ที่ผมต้องการคำตอบของฟอร์ดทำให้ทนายถึงกับหน้าหงายและทุกๆคนในห้องพิจารณาคดีก็ได้ตระหนักว่าฟอร์ดไม่ใช่คนโง่เขลาแต่เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างแท้จริง คนที่มีการศึกษารู้ว่าจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนและรู้วิธีจัดการกับความรู้นั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการเฮนรี่ฟอร์ดสามารถควบคุมบังคับบัญชาความรู้เฉพาะทางที่เขามีสิ่งเหล่านี้เองทำให้เขาได้เป็นคนอเมริกันที่ร่ารวยที่สุดในยุคนั้นคุณสามารถหาความรู้ได้มากมายเท่าที่ต้องการ ก่อนที่คุณจะสามารถแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองนั้นคุณต้องการความรู้เฉพาะทางในการบริการธุรกิจการค้าหรือความถนัดในวิชาชีพบางทีคุณจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางให้มากกว่าที่มีอยู่คุณอาจต้องอาศัยการระดมความคิดการระดมความคิดหมายถึงการผสมผสานความรู้ที่มีกับความภาคเพียรพยายามระหว่างผู้คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความหมายของการระดมสมองนั้นจะได้อธิบายในบทต่อไปบทวิจารณ์หลังจากได้อ่านเรื่องการระดมความคิดแล้วคนจำนวนมากอาจเข้าใจว่าหมายถึงการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นความเข้าใจผิดคำอธิบายต่อไปนี้นำมาจากหนังสือของมูนิทิสนโปเลียนฮิวชื่อ Believe and Achieve การทำงานเป็นทีมเกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มคนซึ่งมีความสนใจแตกต่างกันคนทั่วไปยินดีร่วมงานเพราะว่าในทีมมีผู้นำอยู่แล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสมาชิกในทีมบางคนก็ยินดีทำงานเต็มที่หากได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่คนพวกนี้มักไม่ค่อยใส่ใจกับเป้าหมายของทีมอย่างไรก็ตามบางครั้ง คนพวกนี้ก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดีเพราะต่างคนต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันเหมือนวงดนตรีที่แต่ละคนต่างคนต่างเล่นแต่การระดมความคิดนั้นต้องเกิดจากกลุ่มคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายอุดมการเดียวกันและต่างก็มีความรู้ความสามารถมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนโปเลียนฮิวเชื่อว่าถ้าคุณจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้ คุณจะต้องทำให้เกิดการระดมความคิดขึ้นมาให้ได้ในบทที่11พลังแห่งการระดมความคิดจะบอกคุณถึงวิธีการที่จะสร้างสุดยอดทีมงานจบบทวิจารณ์การที่จะสร้างความมั่งคังร่ารวยได้ต้องการพลังอำนาจและพลังอำนาจจะได้มาจากการบริหารจัดการความรู้เฉพาะทางอย่างชาญฉลาดผู้ที่มั่งคังร่ารวยไม่จาเป็นต้องมีความรู้ไปเสียทุกเรื่อง คนบางคนไม่ประสบความสำเร็จเลยตลอดชีวิตก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างแท้จริงคนที่มีการศึกษาสูงที่สุดในบรรดาสมาชิกของทีมหมายถึงคนที่สามารถบริหารจัดการรวบรวมคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านที่ต้องการเพื่อสร้างเป็นทีมระดมความคิดตลอดชีวิตของโทมัสเอเอดิสันได้เรียนหนังสือในโรงเรียนเพียงแค่3มเดือนเท่านั้น แต่เขาไม่ได้ขาดแคลนการศึกษาเลยเฮนรี่ฟอดเองก็เรียนหนังสือจบแค่เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่เขาก็สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมตอนที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้คิดคนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เขาก็กำลังทำงานเป็นเสมียนในสำนักงานบทวิจารณ์ถ้าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มาเกิดในยุคนี้เขาอาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นเด็กสมาธิสั้น วัยเด็กเขามีปัญหาพูดช้าและเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่สิ่งที่เขาสามารถทำได้สำเร็จคือมุ่งมันไปสู่เป้าหมายทฤษฎีที่มีชื่อเสียงของเขามาจากการทดลองในความคิดเป็นการทดลองซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีสัมพันธภาพในที่สุดทฤษฎีนี้ไม่ได้มาจากความรู้พิเศษทางฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์แต่มาจากความสามารถในการจินตนาการว่า หากเขากําลังขี่ลําแสงของดวงดาวผ่านไปในอวกาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจบบทวิจารณ์มีการให้บริการความรู้เฉพาะทางหลากหลายรูปแบบและราคาถูกถ้าคุณสงสัยลองขอคําปรึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งใดก็ได้วิธีการซื้อหาความรู้และการที่จะรู้ว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ใดล้วนมีราคาที่ต้องจ่าย ก่อนอื่นจงตัดสินใจว่าแหล่งความรู้เฉพาะทางที่คุณต้องการอยู่ที่ไหนและเพื่อจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ในชีวิตคนเราอาจมีมากมายเป้าหมายของงานที่คุณกำลังทำอยู่อาจช่วยคุณในการกำหนดว่าคุณจำเป็นต้องมีความรู้อะไรบ้างต่อไปคุณจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งความรู้นั้นๆแหล่งรวบรวมความรู้สาคัญที่ควรพิจารณาคือ ประสบการณ์และการศึกษาของตัวคุณเองประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกับผู้ร่วมงานทีมระดมความคิดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยห้องสมุดสาธารณะและที่ง่ายกว่าคืออินเทอร์เนต็ตหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษผ่านการศึกษานอกระบบโรงเรียนและหลักสูตรการเรียนอยู่ที่บ้านข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียง ในประเทศไทยหมายถึงสถานศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัยเปิดเช่นรามคำแหงสุขโขทัยธรร ม, มาธิราชรวมไปถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนที่เปิดโอกาสให้เรียนหลังเลิกงานเรียนภาคค่าหรือเรียนจากที่บ้านจบข้อมูลผู้เรียบเรียงเราต้องจัดการความรู้ที่ได้มาและนาเอามาใช้เพื่อเป้าหมายที่แน่นอน โดยอาศัยแผนปฏิบัติการความรู้จะไม่มีคุณค่าเว้นแต่ว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้ผู้คนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยหยุดยั้งที่จะหาความรู้เฉพาะทางซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหลักธุรกิจหรืออาชีพของเขาส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักเชื่อผิดๆว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วก็ไม่จาเป็นต้องหาความรู้ใดๆอีกความเป็นจริงก็คือว่า โรงเรียนช่วยสอนเราในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบทวิจารณ์จากหนังสือคิดแล้วรวยฉบับดั้งเดิมนโปเลียนฮิลได้รวบรวมข้อมูลในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการศึกษาและโอกาสในการหางานถึงแม้ว่าตลาดการจ้างงานจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างแต่โรเบิร์ตมัวแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียวิจารณ์ว่าตร ก, กะ แห่งคิดแล้วรวยยังใช้ได้ดีในทุกวันนี้เขาให้ความเห็นว่านักศึกษาที่มีความกระตือรือร้อนขณะอยู่ในมหาวิทยาลัยมีอุปนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและตั้งใจทำงานพอควรอาจประสบความสำเร็จมากกว่าคนซึ่งตั้งใจเรียนหนังสืออย่างเดียวบริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเคยเขียนถึงมัวว่า บริษัทเราคำนึงถึงคุณภาพของคนและบุคลิกภาพมากกว่าพื้นฐานการศึกษาถึงแม้จะมีข้อโต้แย้งว่าการศึกษาก็มีความสำคัญแต่ดังที่มัวได้กล่าวไว้รวมถึงที่ฮิวได้พูดคุยถึงเอดิสันฟอรดและไอสไตน์ le, ว่าผลการเรียนไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของคนเรานิตยสารไทม์ประจำวันที่27ตุลาคมปีคศ2003 ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสอบ SAT ไว้ว่าถึงแม้ว่าการสอบ SAT จะมีความสำคัญแต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วทั้ง SAT และการทดสอบ IQ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีเลย d ด n i e l ลโกเม a n ผู้เขียนหนังสือขายดี Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ได้เสนอข้อคิด เกี่ยวกับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์หรือ EI ว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ความสําเร็จของคนเราได้ดีกว่า IQ ในหนังสือเล่มต่อมาของเขาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และภาวะผู้นำ โกเมนเน้นไปที่เทคนิคของการเป็นผู้นำและเปรียบเทียบว่าระหว่าง E.I. และ I.Q. นั้นสิ่งไหนจะมีผลต่อความสำเร็จของผู้จัดการมากกว่ากันทฤษฎีของแดเนียลโกเมนได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแวดวงการศึกษาในเรื่องทฤษฎีการจัดการและกลับมีผลมากที่สุดต่อคนที่ท้อแท้สิ้นหวังเพราะเขาเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ได้เรื่อง สำหรับพวกเขาแล้วหนังสือของโกเมนได้ให้หลักฐานที่สนับสนุนว่าแม้คนเราอาจไม่ประสบความสาเร็จทางการศึกษาแต่ศักยภาพตามธรรมชาติและความสามารถเฉพาะตัวมีความสำคัญต่อความสำเร็จมากกว่าจบบทวิจารณ์หนึ่งในแหล่งความรู้ที่หาได้ทั่วๆไปสำหรับผู้ที่ต้องการการศึกษาภาค พ, พิเศษก็คือสถานศึกษาภาคค่าการเข้าคอร์ส ฝึกอบรมและเข้าร่วมในการสัมมนามีโรงเรียนมากมายในสหรัฐอเมริกาที่สอนนักเรียนโดยทางไรส์นีหรือทางอินเทอร์เนต็ตการเรียนที่บ้านจะได้เปรียบตรงที่มีความยืดหยุ่นของหลักสูตรซึ่งทำให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาว่างจากการทำงานข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถปรึกษาผู้รู้ที่มีความรู้พิเศษที่เราต้องการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก และไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเรียนได้บทเรียนจากรัฐสวัสดิการสิ่งใดก็ตามที่ได้มาโดยไม่ต้องบากบั่นภาคเพียรและไม่ต้องเสียเงินสิ่งนั้นมักจะไม่ค่อยมีคุณค่าและถูกดูถูกเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้เราจึงไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการศึกษาในโรงเรียนของรัฐการเรียนนอกเวลาจะเป็นการบังคับให้ตัวเอง อยู่ในระเบียบวินยัยซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการหาความรู้อื่นๆต่อไปนอกจากนี้สถานศึกษานอกเวลายังบังคับให้เราต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงว่าเราจะมีผลการเรียนดีหรือไม่ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับทางอ้อมให้นักศึกษาพยายามเรียนต่อไปจนจบหลักสูตรหรือมิเช่นนั้นก็ต้องลาออกไป ตัวผมเองก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์นี้เมื่อได้เรียนหลักสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับการโฆษณาโดยเรียนที่บ้านหลังจากเรียนจบไป8ปดถึงสิบทผมก็หยุดเรียนแต่สถานศึกษาไม่ได้หยุดส่งบิลมาเก็บเงินผมจะต้องจ่ายให้ครบตามจํานวนโดยเขาไม่สนใจว่าผมจะเรียนต่อจนจบหรือไม่ผมจึงได้ตัดสินใจจ่ายเงินไปและคิดว่าผมควรเรียนให้จบหลักสูตรสถานศึกษานอกเวลามักเป็นธุรกิจ ที่มีการบริการจัดการดีช่วงนั้นผมยังรู้สึกว่าระบบการเก็บเงินเขาดีมากดีจนเกินไปแต่สุดท้ายผมก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าในชีวิตความจริงก็คือว่าแผนจัดเก็บค่าเล่าเรียนเป็นส่วนสาคัญที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการตัดสินใจและสร้างนิสัยไม่ผัดวันประกันพรุง่งระบบจัดเก็บค่าเล่าเรียนได้บังคับให้ผมต้องเรียนจนจบคอร์สในที่สุด ซึ่งภายหลังมันได้ทำเงินให้ผมอย่างมากหนทางไปสู่ความรู้เฉพาะทางสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบโรงเรียนของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งที่แปลกประหลาด ส, สำหรับคนเราก็คืออะไรที่ได้มาฟรีๆมักไม่มีค่าโรงเรียนรัฐในสหรัฐและห้องสมุดสาธารณะจึงดูไร้ค่านี่คือเหตุผลหลักของคนมากมาย ที่คิดว่าจําเป็นที่ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังจากที่เรียนจบและทํางานแล้วและก็เป็นสาเหตุที่ทําให้บริษัทผู้จ้างงานให้สิทธิพิเศษแก่พนักงานที่ไปเรียนหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมเขาได้เรียนรู้ว่าพนักงานที่มีความภาคเพียรพยายามใช้เวลาว่างที่บ้านเพื่อเรียนรู้นั้นมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นําองค์กรคนเรามักมีจุดอ่อนที่ไม่ค่อยอยากจะแก้ไขยอยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือขาดความทะเยอทะยานคนซึ่งพยายามใช้เวลาว่างเพื่อเรียนคอร์สฝึกอบรมต่างๆมักจะก้าวหน้าในเวลาไม่นานนักพวกเขาจะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไม่ค่อยมีอุปสรรคและผู้บริหารก็พร้อมที่จะช่วยเหลือการเรียนด้วยตัวเองที่บ้านจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำงานคนกลุ่มนี้ยังต้องการความรู้เฉพาะทางแต่ไม่สามารถกลับไปเรียนในสถานศึกษาได้อีก สจวตอัสตินเวีย์เป็นวิศวกรโครงสร้างเขาทำงานในวิชาชีพมาด้วยดีจนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจก่อสร้างเขารีบสำรวจทรัพย์สินและตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพไปเป็นนักกฎหมายทันทีเขาเรียนจนจบการศึกษาสอบผ่านและเริ่มอาชีพนักกฎหมายด้วยการเป็นทนายความอย่างรวดเร็วนี้เป็นตัวอย่างสอนใจคนที่ชอบพูดว่า ฉันไม่สามารถกลับไปเรียนอะไรได้อีกแล้วเพราะมีครอบครัวที่ต้องดูแลหรือฉันแก่เกินไปแล้วผมอยากบอกว่าตอนที่เวียกลับไปเรียนใหม่นั้นเขาอายุเลย40ปีและแต่งงานแล้วยิ่งกว่านั้นโดยการที่เวียเลือกเรียนหลักสูตรพิเศษทําให้เขาสามารถเรียนจบในเวลาเพียง2ปีทั้งๆที่ปกติแล้วนักศึกษากฎหมายจะต้องใช้เวลาเรียนถึง4ปีบางทีเราก็ต้องยอมลงทุน เพื่อจะได้รู้วิธีการหาความรู้มาใส่ตัวผลตอบแทนจากไอเดียพื้นๆขอเสนอตัวอย่างที่ดีของพนักงานขายของร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันแต่เนื่องจากเขามีความรู้ติดตัวอยู่อย่างหนึ่งคือประสบการณ์ในการทําบัญชีเขาจึงรีบไปเรียนคอร์สพิเศษเกี่ยวกับระบบบัญชีพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการบัญชีให้ทันสมัยและเริ่มธุรกิจด้วยตัวเอง เขาเริ่มต้นด้วยการกลับไปที่ร้านค้าที่เขาเคยทำงานและเซ็นสัญญาเพื่อดูแลระบบบัญชีให้ต่อมาก็กระจายไปสู่ธุรกิจเล็กๆนับร้อยโดยคิดค่าบริการต่อเดือนเพียงเล็กน้อยความคิดของเขาไปได้สวยและในไม่ช้าก็คิดได้ว่าสำนักงานบัญชีจำเป็นต้องเคลื่อนที่ได้เพื่อให้บริการได้สะดวกจึงเป็นที่มาของสำนักงานบัญชีเคลื่อนที่โดยอยู่ในรถบรรทุกขนาดเล็ก เขาจ้างพนักงานเพิ่มหลายคนเพื่อให้บริการด้านบัญชีแก่ธุรกิจขนาดเล็กด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงและคุ้มค่าเมื่อความรู้เฉพาะทางรวมกับจินตนาการก็เป็นสูตรสาเร็จของธุรกิจในที่สุดเจ้าของธุรกิจนี้ได้จ่ายภาษีมากกว่าร้านค้าที่เขาเคยทำงานด้วยถึงสิบเท่าบทวิจารณ์เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเขียนหนังสือ เกี่ยวกับความสำเร็จของคนในยุคปัจจุบันนี้โดยไม่พูดถึงบิลเกตถึงแม้ว่าความเชื่อมโยงกันของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกับธุรกิจสำนักงานบัญชีเคลื่อนที่จะไม่ชัดเจนนักแต่มันช่างเหมาะเจาะกับเรื่องของไมโครซอฟท์เป็นอย่างยิ่งนั่นเพราะว่าความสำเร็จของบิลเกตก็ได้เกิดจากความรู้เฉพาะทางและจินตนาการเช่นเดียวกันท่านผู้อ่านคงทราบแล้วว่าในวัยเด็กของบิลเกตนั้นเขาจัดว่าเป็นเด็กฉลาดคนหนึ่ง แ, แปลกที่กลับไม่ค่อยสนใจวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่เมื่อมีกลุ่มมารดาซึ่งเป็นผู้ปกครองมาช่วยโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สิ่งนี้ได้จุดประกายให้กับเกดเขาได้เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองเมื่อเขาอายุเพียง13ปีและเมื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่กับชมรมคอมพิวเตอร์และงานพิเศษที่เขารับมาจากบริษัทคอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะเคยคิดเล่นๆว่าจะยึดอาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือนักกฎหมายแต่ตลอดเวลาที่เรียนหนังสืออยู่บิลเกตนรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรคือปณิธานอันแรงกล้าในชีวิตของเขาเกตให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยกับความรู้ทั่วไปแต่เขาอุทิศ ต, ตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เฉพาะทาง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตปณิธานอันแรงกล้าของเกดถูกเร่งเร้าเมื่อเพื่อนในชมรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อพาวอเลนได้ซื้อเอกสารโฆษณาสินค้าจากป o อป l ูล e าอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมกราคมคิรศรา1975โฆษนานั้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอันแทร์8800มีนักศึกษาหลายคนอยากเป็นเจ้าของมันสักเครื่อง ในยุคนั้นต้องใช้จินตนาการเพื่อคาดเดาว่าในอนาคตคนทั่วๆไปก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้และถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่สามารถซื้ออันแทร์มาเชยชมได้แต่เขาได้ตัดสินใจร่วมกันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทางานกับอันแทร์มันได้สร้างจินตนาการให้พวกเขามากมายพวกเขาได้ติดต่อเอโรเบิร์ตเจ้าของบริษัทผลิตอันแทและเสนอแนวความคิดของพวกเขา โรเบิร์ตตอบว่ามีหลายคนเสนอแนวคิดเหมือนกับพวกเขาเขากำหนดเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่เขียนโปรแกรมได้ก่อนจะได้งานนี้ไปสองเดือนต่อมาพวกเขาได้ช่วยกันเก็บรวบรวมความรู้เฉพาะทางเพื่อเขียนโปรแกรมพวกเขาเป็นผู้สร้างระบบปฏิบัติการได้เป็นกลุ่มแรกโรเบิร์ตได้ซื้อมันในราคา 3,000 นดอลลาร์ 3, และจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยด้วยวิสัยและจินตนาการเกรและอลเลน ได้ใช้โอกาสและลิขสิทธิ์โปรแกรมของเขาตั้งบริษัทเพื่อรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พวกเขาได้ตั้งชื่อบริษัทของเขาว่า Microsoft พวกเขา เ, เรียกเพื่อนเก่าจากชมรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมเพื่อมาร่วมงานขณะนั้นบิลเกตอายุ19ปีพอลอเลนอายุมากกว่าเกต 1-2 ปีพวกเขาและกลุ่มเพื่อนชมรมคอมพิวเตอร์เริ่มเขียนโปรแกรมให้กับ a p ป l e คอมพิวเตอร์ คอมโมดอร์ odore, และบริษัทอื่นๆที่สนใจ5ปีต่อมาบิลเกตและพอลอเลนก็ได้ใช้แนวความคิดและจินตนาการร่วมกันเพื่อเรียนรู้ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจปีคิตสกุาร1980บริษัท IBM ได้ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจคอมพิวเตอร์และต้องเร่งรีบพัฒนาตัวเองให้ทันบริษัทได้ติดต่อให้ Microsoft เขียนระบบปฏิบัติการให้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของบริษัทอีกครั้งที่ความรู้เฉพาะทางและจินตนาการทำงานให้บิลเกตจินตนาการทำาให้เกตและอเลนมองเห็นอนาคตอันสดใสและความรู้เฉพาะทางที่พวกเขารู้เกี่ยวกับอนาคตของคอมพิวเตอร์พวกเขาได้โอกาสทางธุรกิจสองครั้งซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสาเร็จของ m i c ค o s o f t โอกาสแรกเมื่อ IBM เร่งรีพัฒนา เกดได้ซื้อระบบปฏิบัติการซึ่งพัฒนาแล้วจากทีมแพตตาสันเเกตได้นำมาปรับปรุงแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า m s Microsoft Disk Operating System โอกาสที่2คือการเจรจาต่อรองกับ IBM เริ่มด้วยการปฏิเสธที่จะขายระบบปฏิบัติการให้กับ IBM ข้อเสนอของพวกเขาคือการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการกับ IBM กับคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องของ IBM ที่ขายออกไปและต้องเป็นสัญญาที่ทำกับ Microsoft ได้บริษัทเดียวเท่านั้นส่วน Microsoft สามารถให้ลิขสิทธิ์กับบริษัทคอมพิวเตอร์อื่นได้ถ้าคุณติดตามประวัติของ Microsoft จะพบว่าเต็มไปด้วยปณิธานอันแรงกล้าความคิดความรู้เฉพาะทางและจินตนาการเบื้องหลังแต่ละย่างก้าวของ Bill Gates ก็เป็นเชกเช่นเดียวกันกันกบเบื้องหลังความสาเร็จ ของนักธุรกิจผู้เริ่มสำนักงานบัญชีเคลื่อนที่นั่นเองจบบทวิจารณ์จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของสำนักงานเคลื่อนที่คือไอเดียที่ผมรู้เพราะผมคือผู้ที่ให้ไอเดียนี้แก่เขาถึงตอนนี้ผมอยากจะนาเสนอเรื่องของไอเดียอีกเรื่องหนึ่งคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังก็คือเพื่อนนักบัญชีคนนั้นตอนที่ผมเสนอไอเดียการบัญชีให้เขาพูดว่า ผมชอบไอเดียนี้แต่ไม่รู้วิธีการที่จะเปลี่ยนมันเป็นเงินอีกในหนึ่งก็คือเขาไม่รู้ว่าจะนำความรู้ทางบัญชีที่มีไปทำการตลาดได้อย่างไรนักโฆษณาหญิงคนหนึ่งได้ช่วยเขาเตรียมการนาเสนอเกี่ยวกับการอธิบายผลดีของระบบการทาบัญชีแบบใหม่แผ่นพับนั้นบอกเรื่องราวของธุรกิจใหม่นี้ได้เป็นอย่างดีว่าเจ้าของกิจการจะได้รับประโยชน์ในด้านบัญชีมากขึ้นอย่างไรบ้าง ผู้คนนับพันทั่วประเทศยังต้องการบริการจากผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจในการตระเตรียมวิธีการที่จะทำตลาดเฉพาะบุคคลให้พวกเขาไอเดียนี้เกิดขึ้นได้เพราะความจาเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาบางอย่างแต่ไอเดียนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการเฉพาะคนเพียงคนเดียวผู้หญิงคนนี้มีจินตนาการสร้างสารรค์ที่ยอดเยี่ยมเธอมองเห็นอัจฉริยภาพในตัวเองที่จะสร้างอาชีพใหม่ เพื่อบริการผู้คนนับพันที่ต้องการคำแนะนำในการทำการตลาดบริการเฉพาะบุคคลในการเริ่มต้นความสำเร็จในการเตรียมแผนทำการตลาดบริการเฉพาะบุคคลครั้งแรกนั้นเธอหันกลับไปแก้ปัญหาของลูกชายที่เพิ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยแต่ยังไม่สามารถหาตลาดแรงงานให้ตัวเองได้แผนการตลาดที่เธอทาให้กับลูกเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานบริการเฉพาะบุคคลที่ผมเคยเห็น เธอได้จัดทำเอกสารถึงห้าหน้าเพื่อนำเสนอตัวบุคคลคือลูกชายของเธอเองโดยจัดพิมพ์อย่างสวยงามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถต่างๆของลูกชายประวัติการศึกษาประสบการณ์ส่วนตัวเอกสารระบุตำแหน่งงานที่ลูกค้าต้องการรวมไปถึงแผนการดาเนินงานที่จะทำต่อไปเมื่อได้รับตาแหน่งนั้น เธอใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการจัดทำรวมถึงส่งลูกชายไปห้องสมุดสาธารณะเกือบทุกวันเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นเธอยังส่งเขาไปยังบริษัทคู่แข่งของนายจ้างในอนาคตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการงานในตำแหน่งที่เขาจะได้ทำในอนาคตเมื่อแผนการสำเร็จเรียบร้อยเขามีข้อเสนอแนะมากกว่า6ข้อซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างในอนาคต คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์บางคนอาจถามว่าทำไมต้องลำบากลำบนเพื่อให้ได้งานที่มั่นคงคำตอบก็คือการทำสิ่งใดให้ดีแต่แรกยอมไม่ลำบากภายหลังแผนงานที่เตรียมโดยคุณแม่คนนั้นช่วยให้ลูกชายได้งานตั้งแต่เข้าสัมภาษณ์งานครั้งแรกและที่สาคัญไม่ต้องเริ่มงานจากตาแหน่งต่ำสุดแต่ได้เริ่มต้นทางานระดับผู้บริหารรุ่นใหม่เลยซึ่งตามมาด้วยเงินเดือนระดับผู้บริหารด้วย ทำไมต้องลำบากลำบนก็เพราะการนำเสนอของชายหนุ่มผู้นี้ช่วยประหยัดเวลาให้เขานับสิบปีในการไต่เต้าจากการทำงานขึ้นสู่ระดับสูงไอเดียในการเริ่มงานจากตำแหน่งต่ำสุดแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาอาจฟังดูเข้าทีแต่มีผู้คนมากมายที่เริ่มจากศูนย์แล้วไม่สามารถยกระดับตัวเองให้โดดเด่นจากคนอื่นจนทำให้เจ้านายเห็นได้นอกจากนี้ ภาพของคนทำงานระดับล่างมักไม่ค่อยเป็นที่สะดุดตาเจ้านายพวกเขามักจะไม่มีความทะเยอทะยานจมปลักและยอมรับโชคชะตาของตัวเองเพราะติดนิสัยทำงานประจำไปวันๆในที่สุดนิสัยนี้มันก็จะติดตัวเราไปตลอดนี่เป็นอีกเหตุผลว่าทำไมการเริ่มต้นในระดับที่เหนือกว่าผู้อื่นหนึ่งถึงสองขั้นจึงมีราคาที่เราต้องจ่ายดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการสร้างนิสัยของการค้นหา แสวงหาโอกาสและทำมันให้สำเร็จโดยไม่ลังเลตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในเรื่องที่ผมกล่าวไปคือเรื่องของแดนฮันพินในขณะที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเขาได้เป็นกัปตันทีมอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือทีมนอร์เตเดมภายใต้การควบคุมทีมของนูเตร็อกเน่ฮันพินจบการศึกษาในช่วงเวลาที่ไม่ดีนักเนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทาให้เกิดภาวะว่างงาน มีการล้มของสถาบันการเงินและการลงทุนเขาเริ่มงานแรกที่คิดว่ามีอนาคตคือการขายเครื่องช่วยฟังโดยได้รับค่าคอมมิชชั่นใครก็เริ่มต้นแบบเขาได้แต่เขารู้ว่ามันเป็นประตูแห่งโอกาสเกือบสองปีที่ทำงานไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้เขานักเขาจะไม่ก้าวหน้าถ้ายังปล่อยให้ตัวเองไม่มีความพึงพอใจกับงานเขาจึงตั้งเป้าหมายไปที่งานแรก คือผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและในที่สุดเขาก็ได้งานนั้นซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกที่ส่งเขาขึ้นไปสู่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จตำแหน่งงานใหม่ของเขาทำให้เขาขายเครื่องช่วยฟังได้มากขึ้นจนเอ a มแอนดรูกรรมการบริหารบริษัทด i กโท g r a p h Product ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของบริษัทที่ฮันพิวทำงานอยู่ต้องขอพบตัวเขาแอนดรู ต้องการรู้จักแดนฮันพินที่แย่งยอดขายไปจากบริษัทที่ก่อตั้งมานานอย่างดิกโทรกราฟเมื่อการสัมภาษณ์จบลงฮันพินได้กลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ของบริษัทเครื่องช่วยฟังดิกโทรกราฟและเพื่อที่จะทดสอบความสามารถของฮันพินเขาได้เดินทางไปฟลอริดาถึงสเดือนปล่อยให้ฮันพินเผชิญกับงานใหม่ของเขาคำพูดของนูเต้ร็อกเนที่ว่าโลกยอมรับแต่ผู้ชนะแต่ไม่มีเวลาสําหรับผู้แพ้ กลับเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทุ่มเทกับงานมากขึ้นจนในที่สุดเขาได้รับเลือกเป็นรองประธานบริษัทบางคนต้องทุ่มเททำงานตลอด10ปีเพื่อตำแหน่งที่น่าภาคภูมิใจนี้แต่เขาใช้เวลาเพียง6เดือนเท่านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะเน้นย้ำก็คือการที่คนเราจะได้ตำแหน่งสูงขึ้นหรืออยู่ตาแหน่งต่าๆไปตลอดขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถควบคุมเงื่อนไขแห่งความสาเร็จได้หรือไม่ และถ้าเพียงเราต้องการจะควบคุมมันอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทั้งความสำเร็จและล้มเหลวขึ้นกับนิสัยและความคุ้นเคยของเราแดานฮันพินใช้ประสบการณ์จากการเป็นโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลเพื่อนำทีมไปสู่ความเป็นเลิศแนวความคิดของการเป็นวีรบุรุษมีประโยชน์ต่อชัยชนะของคนเราผมมีความเชื่อว่าการได้ร่วมธุรกิจเป็นเรื่องสาคัญมาก ไม่ว่าจะล้มเหลวหรือประสบความสําเร็จก็ตามแแบรบุตรชายของผมได้ต่อรองตําแหน่งงานกับแดนฮันพินเขาได้เสนอเงิน เ, นเดือนเพียงครึ่งหนึ่งของบริษัทคู่แข่งในฐานะของพ่อผมต้องพยายามอดทนต่อข้อเสนอนี้ให้ได้และได้สนับสนุนให้แแบรเข้าทํางานกับฮันพินผมเชื่อว่าการที่ลูกจะได้มีโอกาสร่วมงานกับบุคคลที่สร้างตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้เป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ตำแหน่งงานระดับล่างมีแต่ความมืดมนไม่ก่อให้เกิดผลกำไรต่อชีวิตการทำงานนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องวางแผนให้ดีเพื่อรีบถีบตัวเองขึ้นจากจุดต่ำสุดให้ไอเดียของคุณทำงานด้วยความรู้เฉพาะทางในที่สุดคุณแม่ผู้ซึ่งได้เตรียมแผนการขายบริการเฉพาะบุคคลให้กับลูกชายตัวเอง ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการทำเงินจากแผนการตลาดเฉพาะบุคคลแต่คนทั่วไปไม่รู้ว่าแผนการตลาดของเธอประกอบไปด้วยการขายอนญชันฉลาดที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รายได้มากกว่าเดิมจากการขายที่เพิ่มขึ้นเธอจะคอยดูแลผลกำไรทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายบริการเฉพาะบุคคลเธอเตรียมแผนงานเพื่อให้นายจ้างได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ถ้าคุณใช้จินตนาการค้นหาบริการเฉพาะบุคคลของคุณเองบ้างโดยการดูว่าตัวคุณเองกำลังต้องการบริการอะไรบ้างไม่แน่ว่าไอเดียนี้อาจทำให้คุณมีไรายได้มากกว่าแพทย์นักกฎหมายหรือวิศวกรที่ต้องใช้เวลาเรียนหลายปีก็เป็นได้บทวิจารณ์เมื่อแมรี่เคอชได้ใช้จินตนาการคิดค้นหาธุรกิจใหม่ๆเธอจะศึกษาและเขียนความรู้เฉพาะทางนั้นๆไว้ แมรี่เคออกจากงานหลังจากประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายของธุรกิจขายของขวัญเพราะเธอท้อแท้ที่เห็นคนซึ่งเธอฝึกอบรมให้กลับมีรายได้สูงกว่าและได้รับตำแหน่งสูงกว่าตัวเธอเองเธอได้ตัดสินใจเขียนหนังสือแนะนำสำหรับผู้หญิงทำงานแต่ขณะที่เธอกำลังรวบรวมความรู้สาหรับหนทางไปสู่ความก้าวหน้าของผู้หญิงเธอเกิดคิดขึ้นมาได้ว่า แท้ที่จริงแล้วเธอกําลังเขียนแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจใหม่ที่ต้องการเธอนําเงินที่สะสมไว้จํานวน 5,000 ดอลลาร์ออกมาซื้อลิขสิทธิ์ครีมถนอมผิวที่เธอชอบและชักชวนเพื่อนๆที่สนใจมาเป็นที่ปรึกษาด้านความงามของบริษัทใหม่ที่เธอตั้งขึ้นเธอไม่ได้ขายแต่ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวเท่านั้นแต่ยังให้โอกาสแก่ผู้หญิงเพื่อก้าวไปสู่ความพึงพอใจส่วนตัวและความสําเร็จทางการเงินอีกด้วย บริษัททำกำไรสูงตั้งแต่ปีแรกและยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ศตรวรรษที่21บริษัทมีที่ปรึกษาด้านความงามมากกว่า1ล้านคนใน30ประเทศทั่วโลกด้วยยอดขายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์แมร k a เคคอสเมติ s ติดอันดับหนึ่งในร้อยบริษัทที่ดีที่สุดถึง3ครั้งเครือข่ายโทรทัศน์ให้เกียรติเธอเป็นนักธุรกิจหญิงแห่งศตรวรรษ นอกจากนี้เธ อ, อยังเป็นนักพูดสร้างแรงจูงใจและเป็นนักเขียนหนังสือขายดีถึงสามเล่มนิลบาเตอร์เป็นอีกผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้งบริษัทโดยความรู้เฉพาะทางและจินตนาการเขาได้ความรู้เฉพาะทางมาจากการเป็นช่างไม้ฝึกงานจินตนาการมาจากการที่ลูกค้าว่าจ้างให้เขาทำชั้นวางเพื่อเก็บของในห้องเก็บของที่รกรุงรังช่างไม้นับพันก็ได้งานลักษณะนี้ แต่ไม่มีใครมีจินตนาการแบบน e วบร a เธอร์เมื่อทำงานเสร็จเขาไม่เพียงแต่เห็นชั้นวางของที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังเห็นการแก้ปัญหาที่พบบ่อยในบ้านของคนอเมริกันอีกด้วยเขาได้นำเงินที่เก็บสะสมมาเริ่มธุรกิจของตัวเองคือบริษัท California c ค l i f อร์เ a ียโคร t ซซึ่งเชี่ยวชาญในการสร้างสารรค์ชั้นวางของที่สวยงามและลงตัวพอดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้สอยพื้นที่ส่วนตัว จินตนาการของบราวเอร์ไม่ได้หยุดแค่การสร้างธุรกิจของตัวเองแต่ยังจินตนาการไปถึงโครงการที่ใหญ่กว่านั้นดังนั้นเขาจึงค้นหาความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์นีลบราดเอร์ได้เซ็นสัญญาแฟรนไชสนับร้อยก่อนที่วิลเลียมโซโมนาจะเสนอซื้อกิจการจากเขาเป็นเงินถึง120ล้านดอลลาร์ความรู้เฉพาะทางของลินเลียนเวอร์นอน คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนมีแต่ไม่ได้ใช้จินตนาการต่อเช่นเดียวกับเธอจากอัตตาชีวประวัติของเธอเล่าว่าฉันรู้จักกระเป๋าถือดีทาไมจึงไม่ขายมันพร้อมเข็มขัดที่เข้าคู่กันเด็กวัยรุ่นอเมริกันต้องชอบถือกระเป๋าและใช้เข็มขัดที่เข้ากันเดินไปตามถนนเด็กวัยรุ่นทุกคนยอมต้องการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเธอเชื่อมั่นในแนวความคิดของตัวเอง จึงใช้เงินราว495ดอลลาร์เพื่อซื้อโฆษณาในนิตยาสารของวัยรุ่นจากโฆษณาชิ้นนี้คำสั่งซื้อเข้ามาเป็นเงินถึง 32,000 ดอลลาร์ลินเลียนวอรนอนเริ่มที่จะรวบรวมความรู้เฉพาะทางอื่นเช่นการเช่าพื้นที่อุตสาหกรรมการส่งออกและทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจภายในไม่กี่ปีเธอก็ได้ความรู้เฉพาะทางอีกมากมายเกี่ยวกับภาพถ่ายเลยเอั์ การพิมพ์การส่งจดหมายถึงลูกค้าและคิดจะทำแคตตาล็อกของตัวเองเธอเริ่มการส่งแคตตาล็อก16หน้าไปยังลูกค้าซึ่งเคยซื้อสินค้าของเธอจำนวน 125,000 คนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ล, น ล, นลินเลียนเวนนอนได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแคตตาล็อกของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นหน้าสีถึง100กว่าหน้าส่งไปยังผู้คนนับล้านปีละหลายครั้งทายอดขายต่อปีถึง250ล้านดอลลาร์ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรวบรวมความรู้เฉพาะทางที่ดีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากนำเสนอในบทวิจารณ์นี้เรื่องนี้มาจากหนังสือของนโปเรียนฮิลถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รวมอยู่ในหนังสือคิดแล้วรวยแต่เขาก็ใช้มันเป็นตัวอย่างบ่อยๆในการบรรยายและสัมมนาเมื่อปีคิศรา .1893 มีหนุ่มซึ่งเริ่มทางานรถไฟในตาแหน่งช่างโดยค่าจ้างเพียง5้าเซนต์ต่อชั่วโมง เขาพยายามเข้าคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักรไอ้น้ำที่เขาทำงานอยู่ปีคิเตศักราย1905เขาตั้งใจทำงานจนได้เป็นผู้หนนวยการด้านพลังงานของชิคาโกเกรสเวสเทิร์นในเมืองโอแวนรัฐไอโอวาหลังจากได้เข้าชมงานแสดงรถยนต์ในชิคาโกแล้วเกิดความสนใจรถยนต์รุ่นหนึ่งมากในที่สุดเขาได้รวบรวมเงินที่เก็บมาตลอดชีวิต จำนวนเ0 0ดรอดลลาร์และยืมเงินเพื่อนมาได้อีก 4,300 ดอลลาร์จนซื้อรถยนต์คันนั้นได้สำเร็จทันทีที่เขากลับไปถึงบ้านได้นํำรถจอดในที่ร่มแล้วลงมือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ออกทีละชิ้นทีละชิ้นเสร็จแล้วประกอบมันกลับเข้าไปใหม่แยกชิ้นส่วนออกแล้วประกอบใหม่ซ้าไปซ้ามาหลังทาเช่นนี้หลายๆครั้งเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งที่อยากรู้จนหมด และนี่คือเรื่องราวการรวบรวมความรู้เฉพาะทางของวอลเตอร์พีครสเลอร์ในที่สุดเขากลาออกจากงานรถไฟเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์จบบทวิจารณ์ไม่มีราคาตายตัวสำหรับไอเดียที่ดูเข้าทีเบื้องหลังของไอเดียก็คือความรู้เฉพาะทางจําไว้ว่าความรู้เฉพาะทางนั้นมีมากมายและหาได้ง่ายกว่าไอเดียเป็นความจริงที่ว่า โอกาสจะเพิ่มขึ้นสำหรับใครก็ตามที่มีความสามารถในการช่วยผู้อื่นให้ขายบริการเฉพาะบุคคลได้ความสามารถนั้นหมายถึงจินตนาการอันเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงความรู้เฉพาะทางเข้ากับไอเดียเพื่อสร้างสารรค์แผนการไปสู่ความร่ำรวยถ้าคุณมีจินตนาการบางทีจะช่วยคุณมีไอเดียดีๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยที่คุณต้องการจงจำไว้ว่าไอเดียเป็นสิ่งสำคัญ และความรู้เฉพาะทางก็สามารถหาได้จากรอบๆตัวเรานี่เอง